เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสุอูบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25้าพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันพระวันธรรมสวรรคะวันฟังธรรมวันจำละ กายวาจาใจให้สอาดบริสุทธิ์เพราะความสาอาของกายวาจาใจนำมาสร่งความสุขและความเจริญนั่นเองกายวาจาใจก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่มีเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ถ้าใส่ไปแล้วมันก็เปื่อยเปื้อ มีภาพสปกปรกมีกลิ่นเหม็นถ้าเราไม่เอาไปทรา์มันก็จะไม่น่าใส่ใส่แล้วก็จะไม่มีความสุขฉันใดจะกายวาจาใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ทางร่างกายที่จะต้องไปปะเพื่อนกับอกุศลต่างๆ อกุศลต่างๆนี้ทำให้กายวาจาใจไม่สบายถ้าอยากจะให้กายวาจาใจสบายเราต้องชำระอกุศลวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงให้พวกเราหยุดภารกิจการงานต่างๆเพื่อมาชำระกายวาจาใจชำระอกุศลให้ออกไปจากกายวาจาใจ เพื่อใจของเราจะได้มีความสุขความเจริญอกุศลนี้ก็คือาการกระทาที่ไม่ดีนั่นเองทางกายก็มีอยู่สามทางวาจาก็มีอยู่สทางใจก็มีอยู่สามเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามกจัดกันไปอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างวันนี้เราก็มา กำจัดกายวาจาใจด้วยการสมาทานศีลแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบนี่คือวิธีกำจัดข้าบโสกปกที่มาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไม่มีความสุขอกุศลทางกายนี้มีอยู่สาม คือ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีอักุศลทางวาจามีอยู่4คือ 1. การพูดปด 2. การพูดคำหยาบ 3. การพูดเพ้อเจ้อร์ 4. การพูดส่อเสียดค ำ, คำว่าส่อเสียดนี้ แปลว่าการพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามมิตรอกุศลทางใจก็มีอยู่สาคือความโลภความโกรธความหลงนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยชําระกันอยู่เรื่อยเรื่สิ่งที่เราจะชะําระอกุศลทางกายทางวาจาก็คือการรักษาศีลอย่างที่ เมื่อกี้นี้เราได้สมาทานศีลห้ากันเราได้เปลว่าจะว่าเราจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีที่เป็นอกุศลทางกายถ้าเราละเว้นได้กายของเราก็จะสะาด แล้วก็มาล่าเว้นอกุศลทางวาจาคือการไม่พูดปดการไม่พูดคําหยาบการไม่พูดเพ้อเจ้อการไม่พูดส่อเสียดแล้วเราก็มากําจัดความหลงมากําจัดอกุศลทางใจคือกําจัดความหลงความโลภความโก่อความโลภ ความโกรธนี้เกิดจากความหลงถ้าเราชำระความหลงหน้าเราก็จะไม่มีความโลภเมื่อเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่มีความโกรธความโลภเกิดจากความหลงความโกรธความโกรธเกิดจากความโลภความหลงคืออะไรคือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง มองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเืมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมไม่ว่าจะเป็นอะไรจะต้องมีการเสื่อมไปในที่สุดมีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็แล้วก็จะต้องเสื่อมหมดไปไม่เสื่อมหมดก็ต้องจากเขาไปเช่นเงินทองที่เราไม่อยู่นี้ถ้าเราไม่รู้จักหารู้จักใช้เพียงอย่างเดียวเงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็หมดได้เหมือนน้ําที่เรามีอยู่ในตุ่มถ้าเรามีแต่ตักออกไปใช้ไม่รู้จักเติมน้ําเข้าไปในตุ่ม ต่อไปน้ำก็จะหมดตุม่มาบยศสรรเสริญสุขก็เป็นแบบเดียวกันถ้าเราไม่คอยเติมอยู่เรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็จะต้องหมดไปหรือถ้าเราเติมแล้วเราแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปเราก็จะไม่สามารถเติมมันได้เราก็จะไม่สามารถอยู่กับมันได้มีเงินทางมากน้อยเพียงไร เวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้มีตำแหน่งสูงใหญ่ขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้มีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอมากน้อยเพียงไรก็เอาไปไม่ได้มีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมากน้อยเพียงไรก็เอาไปไม่ได้เพราะร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะ ทำหน้าที่เหมือนเดิมได้ร่างกายหมดสภาพถ้าเป็นรถยนต์ก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ใจคือคนขับก็ต้องทิ้งรถยนต์ทิ้งร่างกายไปเวลาไปก็เลยเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้ก็อกุศลหรือกุศลเท่านั้นเองถ้าเอากุศลไปก็ไปดี ไปสูงถ้าไปเอาอากุศลไปก็ไปไม่ดีไปต่ําไปอบายนี่คือสิ่งที่ใจของเราจะนําติดตัวไปได้พระพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราอย่าเอาอากุศลติดตัวไปอย่าเอาความโลภความโกรธความหลงติดตัวไปอย่าเอาการกระทําทางกายอากุศลทางกาย ติดตัวไปคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์การประพฤติผิดตัวแหวนีอย่าเอาอกุศลทางวาจาติดใจไปคือการพูดปดการพูดเพ้เจการพูดคำหยาบการพูด ส, อส่อเสียเพราะจะทำให้ใจเศร้าหมองจะทำให้ใจตกต่ำจะทาให้ใจต้องไปเกิดนยายบายถ้าจำละอกุศลได้ ใจก็จะไปสู่ไปสู่พระนิพพา น, านอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จไปพระองค์ทรงเสด็จไปถึงพระนิพพานก็เพราะได้ชําระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธินั่นเองพวกเราจึงต้องมีวันพระเพื่อเราจะได้มีเวลามาชําระกายวาจาใจการชําระกายก็อย่างที่พูด ใช้ศีลห้าการชาระวาจาก็ใช้ศีลห้าศีล8การชาระใจก็ต้องใช้ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเช่นการฟังเทศฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วก็จะได้รู้ว่าความโลภนี้เกิดจากอะไรถ้าอยากจะกําจัดความโลภ ก, ก็ต้องไปกําจัดต้นเหตุของความโลภ ต้นเหตุของความโลภ ก, ก็คือความหลงความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานี้มันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ใช่ตัวเราร่างกายตายไปเราเอาไปได้หรือเปล่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเวลาตายไปเราเอาไปได้หรือเปล่า นี่ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติผลัดกันชมเป็นของไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงถ้าเรามีความอยากให้เป็นของเราไปตลอดให้อยู่กับเราไปตลอดเวลามันไม่อยู่เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องไม่อยู่กับเราไปตลอด เราก็เลยไม่มีความโลภที่อยากจะให้มันอยู่กับเราเราก็จะไม่มีความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กอได้มาเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเดี๋ยวก็ต้องจากกันหามาแทบเป็นแทบตายเหนื่อยไ ป, ปเปล่าๆสู้อยู่เฉยๆไม่ได้กินกับนอนนี่ก็พอแล้วคนเราถ้าไม่มีความโลภแล้ว ความสุขจะอันยิ่งใหญ่ภายในใจก็จะเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปมีอะไรก็มีอะไรได้อะไรมาก็ซื้อความสุขที่ได้จากการชําระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าเราไม่มีอกุศลทั้ง10ประการแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความอิ่มความพอ ไม่อยากได้อะไรไม่ต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาทำกันอยู่เรื่อยๆตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติให้กระทำกันให้รักษาศีลให้ถ้าวันพระก็ให้ถือศีลแปเพื่อที่จะได้มาชำระใจชำระใจด้วยการทำใจให้สงบ ถ้าใจไม่สงบจะมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาใจสงบแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับน้ำน้ำที่ไม่นิ่งน้ำที่ขุนจะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้น้าแต่ถ้าน้ำนิ่งน้ำใสน้ำไม่ขุนก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำได้ฉนันใดอนิจจังทุกขังอนัตตา ตอนนี้พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะใจเราขุ่นเหมือนกับแว่นตาที่เราไม่ได้เช็ดเลยมองไม่ชัดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นอะไรเช่นเห็นแมวอาจจะคิดว่าเป็นหมาก็ได้เพราะมันแว่นตาเรามันบัวมองไม่เห็นชัดถ้าอยากจะเห็นชัดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นอะไรเราก็ต้องเอา แว่นตาไปล้างไปชำระไปทำความสะอาดพอแว่นตาสะอาดเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างฉันใดถ้าใจเราสะอาดใจเราได้รับการชำระจนนิ่งสงบใจของเราก็จะใสแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่ได้เห็นมาก่อน เช่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดเห็นพระนิพพานสิ่งตา่างต่าเหล่านี้มีอยู่แต่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะพวกเรามีตาหูตาที่เรียกว่าหูตาหนวกหูตาบอดหูหนวกตาบอด หรือถ้ามีตาก็ตามัวมองไม่เห็นชัดมองเห็นกับตาลรปัดไปเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเราจึงมีแต่ความทุกข์กันเพราะแทนที่จะเดินออกจากความทุกข์เรากลับเดินเข้าไปหาความทุกข์เพราะเราคิดว่ามันเป็นความสุข เหมือนกัแมาแรงที่มันบินเข้ากองไฟเพราะมันเห็นแสงสว่างแล้วมันมีความสุขมันก็เลยคิดว่าแสงสว่างของกองไฟนี่ให้ความสุขกาลังแต่พอมันบินเข้าไปถึงกองไฟก็ไปเจอความร้อนก็เลยถูกความร้อนของกองไฟเผาเหมันฉันใดสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขก็อย่างนั้น พอเราได้มาแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันทำให้เราหวงทาให้เราห่วงทำให้เราเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่มันหมดไปเวลาที่มันจากเราไปเพราะเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมองไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตานั่นเองดังนั้นเราจึงต้องมา ทำใจให้สงบทำใจให้สะาสะอาดทำใจให้ใสเมื่อใจสะอาดใสแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถกำจัดความหลงได้พอกำจัดความหลงได้ก็จะกำจัดความโลภได้ความอยากได้พอไม่มีความโลภไม่มีความอยากก็จะไม่มีความโกรธ จะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความเสียอกเสียใจนี่แหละคือวิธีการที่เรามาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราต้องสร้างด้วยธรรมะคำสอนของพ่อพระพุทธเจา้าสิ่งต่างๆในโลกนี้ถึงแม้ว่าจะวิเศษขนาดไหนก็ตามไม่สามารถที่จะมา ชำระกายวาจาใจของพวกเราให้สะอาดได้ไม่สามารถทาให้ใจของพวกเราหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องใช้ธรรมะคำสอนของพระ พ, พ, พ, พุทธเจ้าเท่านั้นก็คือการรักษาสีการจิตําเพ็ญจิตตภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะ เป็นวิปัสสนาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราสัากวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปถ้าอยากจะอยู่ก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่มีความอยากให้เขาอยู่เขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไป ใจก็จะไม่ถูกนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องสอนใจทําใจให้เห็นชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขามีมามีไปตามตามกําลังตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่หรือสั่งให้เขาไปได้ถ้าอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไป ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องทำใจอยู่กับเขาไปถ้าเขาอยู่ก็อยู่ไปถ้าเขาไปก็ปล่อยเขาไปถ้าทำใจได้ใจจะไม่ทุกข์กับการมาการไปของสิ่งต่างๆจะไม่ทุกข์กับการจเจริญกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต ใจที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจะอยู่ในนิพพานที่เมตต่บรมสุขไปตลอดเป็นผลงานที่เกิดจากการชำระกายวาจาใจที่ญาติโยมได้มากระทำกันในวันนี้ขอให้พยายามทำบ่อยๆทำให้มากขึ้นทำไปจนกว่ากายวาจาใจจะสะาบทำมากก็จะสะอาดเร็ว ทำน้อยก็จะสะอาดช้าดังนั้นจึงควรรีบทำกันให้มากๆเพราะว่าเวลาของเราอาจจะมีไม่พอก็ได้ถ้าเราทำช้าๆไม่รีบร้อนเดี๋ยวเราอาจจะตายไปก่อนที่เราจะได้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าไม่ได้ชำระชาตินี้ชาติหน้ากลับมา อาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจะไม่ได้มีคนมาคอยสอนคอยบอกให้พวกเรามาชำระกายวาจาใจกันพอไม่มีคนสอนความหลงมันก็จะสอนให้เราไปทำอย่างอื่นไปหาความทุกข์เดินเข้าหาลาบยศสารเสริญกันไปสร้างความโลภความอยากต่างๆกันแล้วใจก็จะ มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความทุกข์ใจมีเงินมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ใจได้สิ่งที่จะกำจัดได้ก็ต้องเป็นธรรมะครรสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรากำลังฟังอยู่นี่แหละฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ นี่คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าได้สมมอบให้มากระทํากันในวันพระคือวันนี้ขอให้พวกเราพยายามทํากันไปเรื่อยๆทํากันบ่อยๆทําการให้มากขึ้นไปตามลาดับแล้วสักวันหนึ่งใจของเราก็จะสะอาด บ, บริสุทธิ์และเราจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด และเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาชำระอกุศลทั้งสิบประการคือ อกุศลทางกายอากุศลทางวาจาและอกุศลทางใจให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้